กลับมาดูนึบงโวสวิช okay. yeah, ีอันนี้จ็ดสิสีข้อสมสิหกผู้เสื่อรูปใดรืออยู่แต่มุ่งจะลบดูให้อระยนำของของฉันมาแล้วเป็นอวารนานิี่สุผู้กำลังฉันทันอยู่ซึ่งห้างพาดเสียแล้วด้วยของเียวก็ดีด้วยของฉันก็ดี ที่ยังไม่ทำแต่ณอิริตตางดิในใยกรรมเมื่อคำว่าที่สูเชิญข่านเคีย้ยวหรือเชิญขั้นฉันเมื่อพิสูรูปนั้นฉันอาหารนั้นต้องอาบัตปาจิตปีรูปที่ฉันต้องพอาสิกขาบทก่อส่วนผู้ที่นำมาให้ต้องพอาสิกขาบทนี้ แต่ที่บางข้าวนะครับข้อยังก็สืบเรื่องมาจากข้อก่อนนะคิอว่าที่สิืบในรู้อยู่ใช่ไหมเคยรู้ทั้งรู้ว่าช้างเห็นห้ามพันเียบ้อยแล้วนะครับแต่ตัวเองมีใจไม่ดีนะต้องการจะล่มลต้องการจะหารเรื่องช่องนะเนี่ยล่อลวงห้ามไปยศไปก็หารเรื่องช่องนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ของเทียมของฉันแหละนะเพึ่งโตแล้วนะ ขอโวษนะที่แม่ถือไม่ที่หมันห้ามเนาะมันคือว่า เ, ช, เ ช, นนานนะชื้อเชิงหนานนะองไปให้น ะ, ะเชื้อเชิงแล้วอ้าวที่แม่ท่านะครับเอเถเอาไปให้นะครับนี้นะรู้ทั้งรู้ก็อย่าเอาของที่ของฉันเนี่ยที่ยังไม่ทําเป็นเดยะะ์ยออาาด้วยนะคะรับเพราตั้งใจจะให้แกต้องเอาบัตรเท่านั้นใช่ไหมหรือว่าแกหา้ามพลาดแล้วเราก็เอาหาที่มันเป็นเดย์ไปให้ห้ามแกได้ต้องเอาบัตรแล้วก็จะว่าแกเล ย, ยนี่นะมีใจไม่ดีอย่างนี้นะครับ ถ้าวิสุตรูปนะั้นรูปที่เราหาไปให้ท่านท่านรับนะครับแล้วควจะฉันควรเอาไปให้ต้องถูกกดเมื่อท่านฉันก็ต้องถุกกอีกนะคะนรับซึ่งจเป็นต้นคำเกินมาเมื่อท่านฉันเสร็จนะครับรูปที่เอาไปให้เนี่ยต้องอาบาัตดนะต้องปัดไปตีในศีกษาบท น, นี้นะครับแต่เมื่อที่ฉันเนี่ยต้องบปัดไปตีในศีกษาบนก่อน รูป <c oughs> ที่ฉันเนี่ยเขาต้องตอนไหนนะเขาต้องแต่ลงมือฉันแรกใช่ไหมครับทุกๆคำากือเนี่แต่ว่ารูปนี้ต้องร้อยรูปที่เอาไปให้ต้องร้อให้รูปนั้นฉันเสร็จก่อนนครับตต้องบักไปตีในสุาบทนี้อย่าอนื้น น, น, นะนะครับ <c oughs> ถูกแนละ้วต่อไปเรามาดเตัว อ, อย่างครับกรณีมาอย่างนั้นใช่ครับ เรื่องของพิสุสองรูปโดยสมัยนั้นพระพระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของนานานงวิติกาข้าบดีเข็มพระนครสาวถีครั้งนั้นพิสุสองรูปเดินทางไกลไปยงพระนครสาวัถีในโกศชนบทพิสุรูปหนึ่งประพฤตอนานจารพิสุผู้เป็นเพื่อนจึงเตือนเธอว่าอาุโสท่านอย่าได้ทาอย่างนั้น พอเพื่อนอนาจาังคือทาผิดวินัยอะไรบางอย่าง น, นนะอีรุ่ปหนึ่งก็เตือนเราเนะี่ยท่าอย่าได้ทําอย่างนะั้นเพราะมันไม่สมควรเธอได้ผูกใจเจ็บในพิสูจน์เพื่อนนั้นโอยโดนโดนเตือนไม่ได้เสียสังศีโก น, นะท <c oughs> ่านที่เธอทําผิดนั่นแหละนะเพราะว่าเตือนนี่ไม่ไน่าโกรธนะครับอม่พอใจผูกใจเจ็บด้วยนะในพิสูจน์เพื่อนนั้นขั้นพิสูจน์สองรูปนะั้นไปถึงพระนครสามมถีแล้ว พอดีเวลานั้นในพระนครสาวัตถีมีสักพันธ์ของประชาชนเข้าถวายสักพันธ์ใช่ไหมพิสุผู้เป็นเพื่อนฉันแต่ห้ามพันแล้วพิสุที่คงใจเจ็บไปสตรกุลญยญติรับบิฎาบามาแล้วเข้าไปหาพิสุที่เป็นเพื่อนนั้นครั้งนั้นได้กล่าวคํานี้กับเธอว่าอาุโสนิมนต์ฉันนะครับนี่ไงหาเรื่องนะท่านที่รู้ว่าเขาฉันแต่ห้าพันแล้วใช่ไหม เอาหาไม่คอฉันจะได้โจละแบบคื อ, อ, อโมโจจอั่งพี่ส <c oughs> นะุผู้เป็นเพื่อนปฏิเสธว่าพอแล้เอาุโสผมบริบูรณ์แล้วลูกที่ผงใจเจ็บก็แค้นคล้ว่าอาุโศบิดาบอร่อยนิมนต์ฉันเธอนะครับเอาจชนะเอาชนะอร่อยครับหน่อยก็ดีครับคันพี่สุผู้เป็นเพื่อนถูกพี่สุผู้ผงใจเจ็บนั้นแค้นไข้ จึงได้ฉันนะอันจะฉันอนะไรเก่งใจอะไรนี่นะครับก็เลยฉันบินาบานั้นรู้ที่ผูกใจเจ็บจึงพูดต่อว่าพี่สุผู้เป็นเพื่อนว่าอาวุโสท่านได้สําคัญผมว่าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวท่านเองฉันเสร็จห้ามท่านแล้วยังฉันโภชนะอันไม่ใช่เดนได้นี่นี่มาว่าผมเลยท่านนี่แหละอย่าทำอะไรนี่นะเอาคืนนะครับ ผู้เป็นเพื่อ น, นั้นก็เลยขานว่าอาวุโสท่านควรบอกไม่ใช่หรือเนี่ยควรจะบอกไม่ใช่หรือว่ามันยังไม่เป็นเดชใช่ไหมรู้ที่ปุใจัเจ็บว่าพูดแย้งว่าอาวุโสท่านต้องถามม่ใช่หรือ <c oughs> นะครับครั้นแล้วพิสุผู้เป็นเพื่อนได้แจ้งเรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายบรรดาที่สูุผู้มั่งน้นสันเดิลแต่ก็ใช่ต้องเตรียมบทนาว่าฉะนั้นที่สูจุจิเนำเปาา้าแน่ พ่สุพูฉันเสร็จห้ามพันแล้วด้วยโลชนะอันมิใชเดเล่าแล้วกลานดุลแหลมเมรพาเจ้ า, จาพระเราทรงสอบถามทรงติดเตียนพิสุรูปนั้นแล้วก็มีสิขาคนนี้ขึ้นมาครันี้ก็ไม่ยากอำที่หงก็ม่ยากทีดก็มันอในกลางขานนะทหน้าร้อยเ้าสิบเก้าราสิบ้าข้อที่หก อธิบายทุติยปาวารณาสิกขาบทพึงสร้างอธิบายในสิกขาบทที่หกต่อไปครับคําว่าพิัถฑู ป, ะะ ป, ปปาวารายะที่แปลว่าพึงนําไปปาวารณาใช่ไหมความว่าพิสุนะครับนํามาแล้วเชื้อเชิญ อ, อย่างนี้ว่าเขาว่านํามาผมตกไปผมเขียนให้นะครับดูก่อนพิสุนิมนเคียวนิมนฉันเธอคําว่าชานังความว่า ที่สูงรู้ว่าที่สูงนั้นห้ามพันแลงรู้ทั้งรู้นะว่าเพื่อนเนี่ยเขาห้ามพันแลงใช่ไหมจะด้วยได้เห็นหรือได้ยินมาก็ต่างนะครับคำว่าอสาาหนาเปโคละแก่ที่สูงมุ่งจะใส่ได้เนี่ยมีใช้ไม่ดีนะคือให่ถึงความเป็นคนเก้็ขเขินให้อปภะัยยศให้เก้็เขินใช่ไหมนะครับคำว่าพุทธสมิงปาจิตยังเมื่อน้องเข้าไปให้ต้องบัรทุกกฎก่อน ลูกที่น้องแม่ตั้งบทุกกฎนะครับถ้าพิสูจนนั้นลับอาหานั้นพิสูจผู้น้องไปให้ตั้งบรรทุกกฎอีกนะครับหนึงตัวให้ครับนะครับเมื่อพิสูจน์นั้นกําลังฉันพิสูจนผู้น้องไปให้ตั้งบรรทุกกฎนะครับตามคำเกินของพิสูจผู้ฉันนั้นคืนอทุกคําคือหลายตัวนะเนี่ยทุกคาเกินเลยทุกกฎทุกกฎทุกกฎไปเรื่อยๆนะครับพรอรุ่พี่ฉันนี่ยฉันเสร็จนะครับ พ่สุจผู้นองไปต้องบัดปาจิตตีผู้หญงผู้ชันก็ต้องบัดไปตีด้วยศีรษะบวกก่อนต้องแต่ฉันนะแล้วต้องต้องคืนเนมนะครับ <c oughs> อันนี้แค่นี้นะคำที่วานั่นก็สุบมาให้ชัดๆง่ให้เหิดและประเภทอาบัรศิรษะบวกนี้คพื่อภาคเจ้าท ร, รปงปราบพิสูรรูปในมนสาวัถีทรงบัญญัติเวลวเพราะเห็น คือการนำผลชนะเข้าไปให้แก่พิสูจน์ว่าห้ามพันแล้วเป็นอสานะบัญญัติพิสูจนนี้ไม่มีนะครับอันนั้นติกรไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับเนี่ยนะใครนําไปเองนะโดนเองนะครับพิสูจนนั้นห้ามพันแล้วรู้ว่าห้ามพันแล้วนําไปให้ต้องปัตรตาจิตีมีความสงสัยก็ดีนะถ้ามีความสงสัยเนี่ยแล้วก็นําไปให้จะต้องบัตรกฎ นำของฉันมียา ม, มากการหเป็นต้นไปให้เพื่อเป็นอาหารก็ดีอันนี้ก็เป็นอามบัตรผูกดในเวลาที่พิสูจนรับหรือฉันของเหล่านั้นก็ดีนามบัตรผูกดตรงนั้นยังไม่ได้ห้ามพันนะเขายังไม่ห้ามเลยแต่เข้าใจว่าห้ามพันแล้วหรือมีความสงสัยก็ดีก็นําไปให้นะครับต้องอาบัตรผุ้กดเลยครับอ น, นี้แ น, นามบัตรพิสูจไม่ต้องอาบัตรเมื่อยังไม่ได้ห้ามพัน เข้าใจว่าไม่ได้ห้ามพระนําไปให้นี่ได้ใไม่เป็นไรทําให้เป็นของเดนเป็นเดนก่อนแล้วจึงนําไปให้ได้ครับแล้วก็ทำเป็นเดนก่อนไงแล้วก็ค่อยให้เพื่อนนะครัี้ได้บอกก่อนว่าท่านจงทําเป็นของกับพิญาก่อนแล้วจึงค่อยฉันนะแล้วก็บอกเขานี่ท่านทําเป็นเดนก่อนหน้าแล้วค่อยฉันทําได้ให้ด้คําว่าท่านจงนําไปให้ผู้อื่นไม่ได้ให้ท่านนะ แอบแย่นคนอื่นทีนึงนะนำยามากการที่เป็นต้นไปให้ด้วยคาว่าเมื่อมีเหตุมีปัจจัยท่านจงฉันเถอให้เข้าฉันตามเห็นนะครับอันนี้และพิสูจบ้ากเป็นต้องก็ไม่ต้องอาบองบัตรออกอางบัตรนะสิคามตัว น, นี้มีเอาห้าเหล่านี้คือหนึ่งพิสูจน์ห้ามพันแล้ว <c oughs> สองรู้ว่าห้าห้ามพันแล้วนั่นคือท่งรู้นะครับสามมุ่งจะใส่ร้าย สี่เชื้อเชิญด้วยโภชนะที่ยังไม่เป็นเดห้าพิสูนนั้นฉันเสร็จเมื่อกรบองค์ห้าก็ต้องอามบันไปจีเนียสข้าบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเช่นเดียวกับแนวจินนาทางสนข้าบทคืออะไรครับากาย 3. กายจิ ต, จตวาจาจิตกายจิตมีจิตนน่นอนนะครับจิตมุ่นจะใส่ร้ายนรือเพิงรู้ว่าข้าวพันแลน้วจะีม แล้มีใจเป็นโทสะไม่ดีนะครับนัมาให้ด้วยกายก็ได้แม้ไม่ได้พูดอะไรนะนั่นมาให้ด้วยกายเชื้อเชยนนะครับนะก็เปประวาาัตก็ก็พูดไปนะเชื้อเชยเขาฉันและการวัติครับอันนี้ต้องมีจิตอย่างเดียวแต่สิกขาบุ น, นี้มีเวทนาเป็นทุกข์แหละพ่อะโทสนะแลวมีใจมุ่งละนะครับจบการอธิบายทุกติยาำปวารณาสิกขาบทจบนะครับ้ ครับคับโ อ, อ้ครับอันนี้ก็ แ, า, แาจะว่าพวกคุณจะบรรยัติข้อแรกกันแ้วนครับบรรยัติข้อแรกกัแล้วนะบรรยัติข้อแรกตันแล้นะครับ ร, ไไ ร, ไไรูปนี้ก็เลยต้องการที่จะหาเลื่อนเนยก็เลยมันติดเตี้ยว่าเอ้อทาทำไมท่านฉันเส็จห้ามข้อแรกเนี่ยจียมมันฉันของนี้ไม่ได้เป็นเดนดอีกใช่ไหมครับแสดงว่าเนี่ยต้องบรรยัติข้อข้อ ผบของบวนานี่ยไปแล้วนะครับไม่เคยรู้ได้นะ